ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى ا ل ا وسلم ا ل ا على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وانتبعهم بحسن ا إلى الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان เ ي ن ر و ح و ้คว ا ل ق ر า ن อ ن ลกุรอานนั้นเป็นเงื่อนไขสำคัญของการได้ประโยชน์จากอัลกุรอาน หมายถึงว่าผู้ศรัทธาถ้าอ่านกุตั้นอ่านกุตัานอย่างเดียวไม่ได้เข้าใจความหมายไม่ไม่พยายามที่จะเข้าใจความหมายกุตัานการอ่านอัลกุรั้นของเขานี่จะถือว่ามีความบกพร่องอาจจะได้ผลบุญของการอ่านแต่ผลบุญอันที่จะเกิดจากเป้าหมายของคุตอ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นยังไงอุทธาหอนคำสั่งสอนข้อชายข้อห้ามที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ศรัทธาถ้าไม่เข้าใจแล้วจะเอาไปปฏิบัติยังไงและความบกพร่องของคนส่วนมากมักจะเกิดขึ้นจากการที่เขาไม่รู้ไม่ไม่เข้าถึงข้อชายและก็ข้อห้ามคนที่ทำบาปไม่รู้ เราเขา้าใว่ามีบางอย่างที่ศาสนาพอให้อภัยถ้าเป็นข้อใช้ข้อห้ามที่ละเอียดอ่อนมากแล้วเขาไม่รู้แต่ถ้าเป็นข้อใช้ข้อห้ามที่มันประจักษ์ชัดในคุตอาและสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการศึกษาด้วยตัวเองหรืการถ่ายทอดจากคนอื่นที่เราสามารถสื่อสารกับเขาได้เนี่ยอัลลอไม่ให้อภัย กับข้ออ้างว่าไม่รู้อุลามาได้ยกตัวอย่างเช่นในสังคมในสังคมมุสลิมหรือสังคมที่มีความรู้ด้สสานศาสนาอิสลามพอสมควรแล้วคนไปทำซีนาอย่างเงี้ยอ๋อไม่รู้ครับพระเจ้าไม่รู้ไม่รู้ว่าซีน่าฮารอมหรือไปดื่มเหล้าหรอกไม่รู้ไม่รู้ว่าเหล้านี่มันมันฮารอมผลบาปไหมไม่ผลบาปต่างจาก คนที่ได้รับอิสลามแล้วก็เกิดในสังคมที่ไม่มีมุสลิมเลยหรือ ม, มีมุสลิมน้อยมากหรือไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้เลยและได้เกิดความผิดพลาดในบาปที่มันมันมันชัด ช, ด ช, ดชดแบบนี้มีโอกาสที่จะได้รับอภัยโทษเพราะความไม่รู้แต่นั้นไม่ได้มารวมว่าจะพ้นจากความบกพร่อง ของการที่ไม่ได้ศึกษาข้อใช้ข้อห้ามเพออันนี้มันก็อีกสเต็ปหนึ่งอีกอีกอี ก, อ, กอีกหน้าที่หนึ่งเอสมมติว่าขวเขาบอกวไม่รู้และอยู่ในสังคมที่เอมีมุสลิมน้อยจริงความรู้ก็น้อยจริงมันจะถูกสอบสวนอี ก, อ, กอีกขั้นหนึ่งเอแล้วก็ข้อใช้ข้อห้ามในศา ส, ส, ส, สนานเนี่ยเจ้าได้ศึกษาบ้างไหมถ้าเขาบอกว่าศึกษาย اد, ากก็จะ ถตรวจสอบว่าเออมันยากจริงสําหรับเขาหรือเปล่าคิดว่ในยุคนี้เนี่ยไม่ไม่น่าจะยากนะอันดับเดี๋ยวนี้เขาทําแกงเขียวหวานเป็นแล้วเนี่ยยุ่งอะไรกับแกงเขียวหวานเออมันเป็นความรู้ที่เข้าถึงเขาถึงได้หมดแล้วคนไทยเดี๋ยวนี้นี่ก็รู้เข้าวหมก อ, อันดับนี้ทํา ย, า ย, ายังไงเนี่ยรู้กันหมดแล้วสูตรนี่เขา้ายูทูบได้รู้หมดแล้ว โอ้จะรู้อะไรอะไรมันมันละเอียดอ่อนขนาดนั้นแต่พอถูกถามว่าคุณอ่านรู้เรื่องไม่อ้ไม่รู้มันไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนไม่รู้ศึกษาที่ไหนในยุคนี้นะค่อนข้างเป็นข้ออ้างที่ไม่น่าจะฟังได้นะแม้กระทั่งในยุคของท่านนบีสุลลลลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมที่ถือว่าระบบสื่อสารนี่ก็คือคลาสสิกที่สุดคลาสสิกที่สุดหมายถึงว่าปากต่อปาก ย่ยุคเราเนี่ระบบสื่อสารในแบบนาโนนาโนนาโนสื่อสารนะคือไม่ต้องไม่ต้องใช้สื่อสารของตัวไม่ต้องใช้ปากของตัวเองเราสามารถอาศัยเทคโนโลยีระดับเล็กมากที่ที่จะบันทึกความรู้ข้อมูลมหาศาลแล้วก็ส่งไปให้คนอื่นได้ ระบบสื่อสารสมัยท่านนวีที่ปาดตัวปากนะในสังคมค่อนข้างเล็กก็ยังจะมีคนที่แอบอ้างว่าเขาไม่ไม่เข้าถึงสัจธรรมและไม่สามารถพิสูจน์ความรู้และสัจธรรมอันเป็นเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสมกล่าว พูดใช้วิชาที่มันไม่เหมาะสมกับศาสนากับท่านนบีสุลลัลละฮ์อัลเลาะห์สุดดูถูกศาสนาดูหมิ่นศาสนากล่าวร้ายท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละฮ์อัลเลาะห์สุดซึ่งแม้กระทั่งในยุคนั้นเราก็ไม่ไม่ไม่รับข้ออ้างเหล่านี้และถือว่าการกระทำของเขาเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมที่บริบูรณ์มันเป็นความผิดที่ครบถ้วน ที่ไม่ไม่สามารถเอาข้ออ้างใดๆมามาหักล้างหรือมาลบล้างได้สุรัอัตเทวะหันเหียงที่บอกกับพี่น้องว่าเป็นสุราาที่มีข้อแตกต่างสุราอื่นจากสุร่าอื่นๆ น, นะว่าเป็นสุราาที่ Allahu Huwa Taala ได้แฉความผิดความชั่วที่ถูกกระทํอย่ามลึกลับในสถานการณ์ที่ลึกลับ ไม่มีใครรู้เรียกว่าความชั่ววงในไม่ต้องพูดนะครับก็งงจรปิดของกำนันนกนี่ไม่ใช่ลึกลับนี่ขนาดเอาทิ้งน้ำเลียงกู้ได้เลยทะพวกเรามานั่งนึกเนะี่ยโอ้โห จ, จะปกปิดอะไรกับตุหฮัน่นนะจะมาจะมาหาวิธีอะไรจะมาปกปิดกับ Allah นี่ขนาด กล้องวงจรปิดเนี่เซิร์ฟเวอร์สองเซิร์ฟเวอร์มีสิบสองมีสิบสามกล้องเหลืออีกสองกล้องกูหมดแล้วภาพชัดแจ๋วเลยรู้ด้วยว่าใครดิไอการเท็จนี่นี่กับข้อมูลที่มนุษย์เตี้ยมกันเองนะมนุษย์เล่นกันเองนะแล้วก็พยายามปกปิดกันเองนะลบล้างกันเองนะแต่ก็ยังสามารถหาข้อเท็จจริงได้ซาอะไรกับความ ความรอบรูค้ความรู้ความความรู้อันกว้างขวางความรอบรู้อันกว้างขวางของพระเจ้าอัลลอมุลขาวรจึงเป็นบทเรียนเละอุทาหรณ์สาหรับผู้ศรัทธาว่าถ้าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงรู้ความชั่วของมุนาฟิกีนคําพูดวาจาที่เขาได้วิพากวิจารศาสนาวิจากวิจารท่านนบีซอลแลมในในเชิงลับเนี่ยแล้วก็ เขานึกว่าไม่มีใครเห็นเขาแต่รัุสภาเนว่าไดได้เอาเอาพฤติกรรมของเขาทั้งหมดนี่ ม, มาแฉมาเปิดเผยสุราแต่ว่าจึงถูกเรียกว่าชา ย, ยาว่าอัลฟอดิหะที่สุราที่แฉเปิดเผยเปิดเผยความชั่วอุาหอสาหรับผู้ศรัทธาว่าเราเราจะลึกลับขนาดไหนเราจะเราจะปกปิดขนาดไหน ผู้ศรัทธาจะนุมมยิ่งว่ามิมกริ่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทุกสถานการณันที่ท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยสซลลัมได้ให้อวาดกับสัฮาบะท่านหนึ่งที่ขอให้ท่านนบีได้เตือนได้ให้อวาดเขานี่เขาก็เลยอกว่าตะกลลาไฮซุมาคุนตะเจ้าจงยิมกริงอัลลอ์ในทุกสถานการณ์ทุกสถานการณ์และนี่คือจุดเด่นนี่คือเสน่ห์ที่ยอดเยี่ยมของผู้ศรัทธาความดีของเขานี่ไม่ได้เป็นความดี ของคนหิวแสงไม่ได้เป็นความดีของคนต้องการคะแนนนิยมในสังคมว่าความดีเขาเสมอต้นเสมอปลายคนเห็นคนไม่เห็นนี่เขาก็เขาก็ทำความดีเขาก็มีความดีความช่วยเหลือคนจะรู้ไม่รู้คนจะช่วยไม่เขาก็ช่วยของเขาขเขาก็มีมีความสมาเสมอของเขาและนี่คือข้อแตกต่างข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างมุมิงกับบุนา มูนาฟิกความดีของเขามันจะเปิดเผยเชิงเปิดเผยอย่างเดียวในความลับนี่เขาไม่ทําความดีทําไมเพราะคาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าความดีนี่จะมีการตอบแทนอัลลอฮ์ะจะตอบแทนเขาอาจจะไม่เชื่อด้ซ้ำว่ามีอัลลอฮ์พูดถึงมุนาฟิกมุนาฟิกแท้ๆนะมุนาฟิกที่สมบนนะูรณ์ะ สำหรับู้ทาเนมใช่รับผู้ศทาได้รับได้เรียนรู้ในหลักการศาสนาว่าการปฏิบัติความดีในเชิงลับเนี่ยย่อมมีผลบุญมากกว่าที่เปิดเผยดูสและสิ่งที่ทำให้มูนาฟิกีนได้ได้มีความประมาทความประมาทของสถานการณ์ในมดินาเนี่ยความ ที่เขาไม่ไดีศรัทธามัน่นในในในหลักศรัทธาต่างๆแค่ศรัทธาว่าว่าที่ท่านน่ะพูดจริงนละพีนบบน่ะพูดจริงอัลลอฮฺ سبحانه และก็รู้จริงแค่นี้เขาไม่มีไม่มีความเชื่อมั่นนั้ทำให้เขาเนี่ยพูดอะไรออกมาเนี่ยเลอะเทอะไปหมดอย่างที่เรา การศึกษารนู้ในสองสมอายะของวันนี้นะครับมันก็เป็นมันก็เป็นตัวอย่างที่บ่งชี้ถึงความความบาปัญญาของมูนาฟิกีนในการประเมินสถานการณ์อายะที่หกเอนี่ยต่อเนื่องจากการเปิดเผยและแฉความชั่วของมูนาฟิกินส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากสงครามตะบุ ที่มุนาฟิกีนส่วนมากไม่ไปแล้วเขาก็คุยกันวงในเนี่ยพวกมึงทำยังไงอะ่ะเดี๋ยวถ้าท่านนาบีกลับมาจากสงขาว่าเราจะถูกประนามถูกตาหนิก็มีมุนาฟิกคนหนึ่งบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องห่วงนบีนี่เราพูดอะไรดีนบีก็ฟังนบีหูเบาฟังเชื่อหมดแต่เราสาบาตนั่นกน็เชื่อหมด คือไม่ได้ดูถูท่านน่ะเบีย่ยงเดียวนะคือดูถูกกระบวนการกระบวนการทั้งบทนีที่อัลลอฮฺสุภาห์นบอัตฺาลได้วางไว้ให้ท่านนบีสุลต์ลอเลาะ ah ม, มองไม่มองม่เห็นเลยอัลลอฮฺสุภาห์นบอัตฺาละจึงเอาคำพูดของเขานี่ม า, มาเปิดเผยเปิดเผยให้พวกเราได้ระวังอย่าได้มีอย่าได้มีความรู้สึกความเชื่อเหมือนเขาอย่าได้พูดอย่าได้กระทาเหมือนเขา و م و ن هم الذين يؤذون ا ن ل ن ب ي ุ ي งๆน و ن วัยกุลนั่งหัว ي ้วนๆ ل ุลอุนข و ้ ؤ م ن ล ن คุ م ยุ่มิน ن ์บ ل ลลาห์ว و ا م ุ่มินุ์ลิ و มุ่มิ ل ินวาระ ل ต م นลัลลั่นตั้งใจนิดหนึ่งนะครับในการฟังแล้วก็อธิบายแต่ละท่อนในภาษาอับนี่เพราะแม้กระทั่งภาษาอับนี่อานภาษาอับนี่นอายนี่วภาษาสูงมากนะครับแล้วก็ แล้วก็การไล่เรียงประโยคเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งอวมินหุมและในหมู่พวกเขาส่วนหนึ่งของพวกเขานั้นมินหุมในหมู่ในมาในส่วนหนึ่งของของพวกมูนาฟิกเนี่ยอัลลัีนายุดูนั้นนบีมีบรรดาผู้ที่ก่อความเดือดร้อนแก่ท่านนาบี ร, รานท่านนาบีสร้างความเสียหายกับท่านนาบี อยู่ดูนั้นนบความบังอาจแน่นอนถ้าสัฮาบ้านีด่ดรู้ว่ามีใครบังอาจรักรานสร้างความเดือดร้อนกับท่านนาบีนี่หัวหลุดแล้วแต่การกระทําของเขานี่เป็นการกระทําที่มันไม่ถึงอาเชกรรมชัดเจนถึงเรื่องความเดือดร้อนแต่มันเป็นเรื่องเรื่องดูถูกดูหมิน่น قيتكم تنبي صلى الله عليه وسلم تمنع قام بالنبي صلى الله ع ي ه وسلم ويقولون هو أذن ناي صورة النساء ا ل ي ميت مي آية كاينية مونافيجين تستخدم كامب بوث التي هي معنى ا ث ي ن معنى معنى واحد جيد و م ن ى واحد ي س ج ي ถ้าถ้าจะโดนต่อว่าโอา้ผมไม่ได้หมายรูปความหมายนั้นนะ่ะผมหมายรูปความหมายนี่คำมหมายที่ดีเหมือนที่ยยฮูนิยูเนี่ย ว, วลามาสลามท่านนบีซามอาไลากุมสญญามอาไลกุมอันนี้บางทีเ ร, กราก็ใช้กันไม่รู้ตัวถ้าโดยโดยเทคนิคของภาษาไทยและมาลายูที่ชอบยอ่อคำมันน่ะยิ่งถ้าเป็นภาษา แต่งภาษาของเรานี่ยก็จะรวบรวบซามอเลกุมซามอเลกุมซามคือคือจะจะจับผิดมันก็ไม่ได้ถอ้ยฉันอัสสลามอลกุมนะเอไปฟังอะไรแต่ใครได้ยินกนี่กรู้เลยม่อัสลามนบีซามอลกุมซามอย่างเดียวเนี of of yelled, ่ยแปลว่าตาย ซาโมะขอให้ท่านตายเนี้ตัวลามเนี่ยหลุดไปที่ตัวลามเบาๆไปไ ม, ไม่ไม่ชัดซามอะไรกุมขอให้ท่านตายซะแต่อัสสลามุอะไลกุมนี่แกตัวลามให้มันชัดนะนะสันติแต่ท่านคนละเรื่องเลยแต่ก็มีหลายตัวอย่างแบบเนี้ยที่ก็จะใช้คําพูดที่มันมีมีหลายความหมายก็จะได้หลุดพ้นจากข้อข้ อ, ขอรหัสอันนี้ก็เหมือนกัน เขาบอกว่าท่านนาบีอุดุนอุดุนนี่แปลว่าหูแ้านในสำนวนภาษาอร а б เนี้ออุดุนเนี่ยหูก็หมายถึงว่านาบีได้ยินเป็นคนฟังจริงน่ยฟังฟังดีนะฟังแต่ที่จริงเนี่ยมันนี่มีความหมายหนึ่งอุดุนเนี่ยหูนี่หมายถึงว่าหูเบาและเขานี่ไม่ได้หมายรวมไม่ได้หมายรวมเหมืนท่านนาบีหูดีรู้หูฟังดีหูแข็งแรงความ การได้ยินของท่านนาบีแข็งแรงไม่ไดมไ้ไมด้ยหมหมายรวมว่าอุซูนก็นหมายถึงว่าหูเบานี่อีกความหมายหนึ่งใช้ในความหมายนี้ซึ่งปรารถนาของเขานี้ก็คือความหมายนี้แหละอุซูนหูเบาอันี้ อ, อปแปลว่า الذي ن น ي ْ و َ ز ดา ن َ ا ل กَّ ب ِ ي َّรَ ن ْ د َนَีُ و รา ك َ و ْ ك َ ا م ว ا ل د กูลูน ا ะ ن ِ كَانَ ا ل ن َّ ب ِ ي ُว رَأْرَانَ ا ل นَّ ب ِ ي านนาُّ ว, วَ ي เขาคือหูเขาคือหูอุรุณก็ต้องวงเล็บนะครับเพราะถ้าแปลแค่หูอย่างเดียวเนี่ยก็าอาจจะ ง, งงนิดหนึ่งควาหมายกุตตานของอาจารย์ดิเรกคุณเลสซิริสวัตเนี่ยเขาใช้คำนี้เลยเขาจะกล่าวว่าหูเบาเออไม่มีวงเล็บนะ น, นะเขาใช้อย่างนี้เลยอุรุนซึ่งแปลถูกนะตามเจตนารม์ของมุนาเวกินนั่นก็หมายถึงว่านี่แหละอเบ่าซึ่งสอดคล้องกับที่ไปที่มาของอายะเน มัตตบอิบนุอุชัยรมัตตบอิบนะอุชัยรนี่สิคุณคนคนหนึ่งเป็นมุนาฟิกินน้อยคนที่เป็นมุนาฟิกินที่จะที่จะถูกเปิดเผยในประวัติศาสตร์ทั้งหมดในมุนาฟิกินเยอะนะเอาแค่ที่ท่านนบีได้บอกจํานวนน่ะจำนวน حديث بن د د و الإمام إمام مسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم إن في أصحابي م ن ا ف ق و ن في س ا و ن ي مين م ن ا ف ق ص ح ي دي. ا ل ي ي م د ي ن ن ي تلامات ن ب ي ي ب ا ن م ب ت م ا م ن ب ي ا ف ق م ن ا ن ا و ي م ن ا م ن ا ف ق م ن ا ف ق م م ُ ن م ُ ن ا ا ف ن ا ف ق م ُ ن ا ف ن ا ف م ُ ن ا ا ف ن ا ف ق م ن ا ا ا ن ق ا ن ق ได้ร่วมทำสงครามกับท่านนบีสงครามบัตรกก็เคยทำอุุดนี่ก็เคยทำเล้เคยร่วมให้สัตยบันกับท่านนบีสุลต่านะฮีสัตยบันอัลอาควะก่อนที่นบีจะอุปโยปิดถึงถึงจะเห็นว่าสงครามตะบูกเนี่ยเป็นสงครามสุดท้ายที่จำแนกเพราะมันมันเกิดในช่วงช่วง ที่มันคับขันจริงๆช่วงที่เราทดสอบจริงๆถ้าไม่ไม่ใช่เอซีจริงๆนะนะยากที่จะสนองคําเรียกของท่านนายพิโซบองบางรางานบอกว่าม่ชมุอาทับอิบนลกูชารเป็นมุนาบีคนหนึ่งซึ่อนับตืออิบนนลฮาริสซึ่งสองคนนี้นยก็มีหลายเหตุการณ์ที่เขาเคยที่เขาเคยประพฤติและเดือดใน ในสต่ว่านี่ก็จะมีหลายเรื่องนะมูอัดเตบิบนุกุเชนี่ก็มีก็อยู่ในกลุ่มที่เข้าไปสร้างมัสยิดดูรสร้างมัสยิดคู่แข่งกับมัสยิดนบีเพื่อไม่ให้คนเปละหมาดมัสยิดนบีมัละหมาดมัสยิดของเขาในยุคของท่านนบีนะนี่ก็เรียกว่าแยกมัสยิดแยกสุเราต่สมัยนู้นแยกสุเรา ว่าทบอิบเนกุชัยรนั่งอยู่กับพวกนันไว้กินที่ไมดิพายส่งคำทับบุทํานพี่ใครดีอะถ้าท่านนบีกลับมาเขามาตำหนิมามอต่ว่าพวกเราไม่ได้ไปช่วยเขาอู้ไม่ต้องห่วงหรอกนบีเนี่ยอู้เบาพูดอะไรนบีก็ฟังพูดอะไรนบีนีก็เชื่อหมดเชื่อหมด ซึ่งคำพูดนี้ก็หมายถึงว่าท่านนาบีสุลต่านไม่มีวิจารณญาณเท่ากับกล่าวหาท่านนาบีสุลต่านว่าไม่มีสติไม่มีความฉลาดไม่มีคุณสมบัติของผู้นําฟังอะไรก็เชื่อหมดคุณสมบัติหนึ่งของผู้นํำนี่เดียวว่าผู้นําสูงสุดนะผู้นําองค์นนะงกรสถาบันเล็กๆอย่างสถาบันครอบครัวก็ต้องหูไม่เบาปัญหาส่วนมากก็มักจะเกิดจาก ลักษณนะลักษณนะผู้นำหรือล <advantages. S 1> ักษณะคนในองค์กรหรือคนในสังคมนี่ที่มีลักษณะนี้อูเบาเชื่อไงเฮ้ยไอ้นั่นมันมันว่าแกในงานอย่างนี้จริงเหรอเฮ้ยระวังไอ้นี่นะมันเคยพูดอย่างงี้นะเหลือเหเหเหมือนไหมเหลเหลอจริงเหรอนั้นอูเบาง่นยง่านีก็เชื่อแล้ว โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวนะผัวเมียนี่แหละผัวเมียนี่แหละแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ห <laughs> ู้บ้างหรมันก็ไม่กว่าตาเบาทำไมผัวขึ้นโพสโพสในเฟซนะ ยังไงกูก็ไม่ยอมมึงมึงหายนะแน่ตัวเองนี่ใครพูดถึงใครอันนี้ตาเบาไม่ร <c oughs> ู้เบาเฮออะไรหมายถึงฉั น, นมีคนแบบนี้มีคนแบบนี้ถึงจะเป็นเขาอะนะเกือมก็ไม่ได้เออชี่แม่อไรนะี่ก็ม่ตรงเดอร้อนสิความหนักแน่นอนะ คุณสมบัติของของผู้ศรัทธาที่ควบคุมสถานการณ์เนี่ยด้วยอะไรด้วยเนี่ยหูแล ะ, ะลิ้นนะหูและลิ้นสามีภรรยาคนหนึ่งสามีก็แบบนี้แหละหูเบาแล้วก็ลิ้นก็เบาได้ยินอะไรมาว่าภรรยาเขาไม่ทันเธอตรวจสอไม่ทันจะอะไรหรือฟังอะไรภรรยาอย่างงูอย่างงี้ ท, ทั้งที่อยู่กันมานานแล้วแล้วก็ภรรยาก็ไม่เคยมีความบอกว่าตัวเขาก็รักภรรยามากแะไปได้ยินอะไรมานิดหนึ่งน่งก็เชื่อเชื่อทัีเนี่ยกลับบ้านนะบอกว่าเธอฉันหย่าแล้วก็มาไปอยู่บ้านพ่อแม่ครับบ้านพ่อแม่อธิตย์หนึ่งอธิษณ์นึงพอตรวจสอบแล้วโอ้ย อ, อููบ า, บา เชื่อเชื่อเร็วไปเขาไปไปบ้านภรรยาจะได้คืนดีไงภรรยาคืนดีก็บอกกับภรรยาบอกว่าเออฉันฉันได้ยินไหมเงี้แล้วฉันผิดภรรยาก็บอกว่าก็ดีแล้วแหะแต่อย่าบอกพ่อแม่ฉันนะว่าแกอย่าชั้นเพราะตอนฉันมาเนี่ยบอกว่าสามีฉันเดินทางต่างประเทศ เดี๋ยวจะกลับมารับอีกทีหนึงนี่ภรรยาหูหูหหยังไงก็ได้ยินอะไรจากสามีแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไรสามีเลยนะแล้วไม่ได้กล่าวหาอะไรสามีแล้วนะไปบอกพ่อแม่กว่าเป็นอะไรมีอะไรก็เปล่าเขาสามีเดินทางต่า ง, างประเทศแล้วก็เดี๋ยวจะมาอยู่บ้านพ่อแม่เขา อ, อยู่บ้านพ่อแม่นิดนึงเดี๋ยวเขาจะมารับความความ ความหูเบาของสามีและก็ความหนักแน่นของภรรยาใีทั้งบอกว่าบางทีเนี่ยผู้นาผู้นำครอบครัวเนี่ยไม่เสมอไปนะผู้นำครอบครัวจะต้องเป็นผู้ชายนะไม่เสมอไปนะว่าผู้นำครอบครัวนี่คือคนที่สามารถควบคุมสถานการณ์เราก็เห็นกันนะบางทีนี่สถานการณ์ถูกควบคุมโดยคนที่มีมีสติหนักแน่นกว่า นี่คือเรื่องสำคัญนะของที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ยินพวกมุนาฟิกมาแล้วก็ท่านนาบีก็นบีก็มาอันนั้นไม่ใช่หูเบาอนะันนั้นนบีรู้ผู้นำในบางทีเนี่อรู้ในองค์กรเนี่ยให้คนนั้นทุจริตนะให้คนนั้นว่าแกนะใ้คนนั้นเนี่ยปล่อยทำไมอ่ะปล่อยเรื่องคือองค์กรจะได้ไปได้ ในเมื่อสถานการณ์มันสามารถอยู่ในการควบคุมสามารถที่จะแก้ไขได้ประเมินแล้วเอา้าไอ้คนที่ทุอริมานี่มันดำเนินได้เลยไอ้นั่นว่าได้ไงเรียกมาให้ถูกดำเนินคดีจะเหลือไ้ยเนี่ย ม, มีใครจะทำงานกับคุณต่อไหอย่างเงี้ยแล้วอย่าคิดว่าพูดนะบางคบางคนเนี่ยเออไม่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอก คนนุ่งกระทำคนนี้ก็ททำแล้วก็ะทำเขาทอะไรไม่ได้หรอกไม่เสมอไปนะผู้นำองค์กรในสังคมนี่หลายคนเนี่ยเขารู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในองคอ์กรถ้าเขาเลือกเลือกที่จะบริหารจะปฏิบัติจะแก้ไขยังเปิดเผยกับคนบางคนซึ่งนี่ถือว่าเป็นเป็นวิจารณญาณที่สูงส่งสําหรับคนที่ ช่างน้ำหนักนี่เรื่องมุนาฟิกีินก็เป็นแบบนี้โอ้นบีหูเบาพูดอะไรท่านก็เชื่อทำไมอ่ะเาอก็น like oh, hey, ี่ไงหลายคนที er. here, ่ไม่ได้ไปสงครามตะบูกเนี่ยแค่มาบอกกับท่านนบีฉันอย่างงูฉันอย่างงี้นบีก็ให้อภัยนบีก็ให้อภัยคนอย่างท่านนบีน่าจะไม่รู้หรอเป็นไปไม่ได้ Allah subhanahu wa taala จึง ตอบตัวแทนดีกลอ้ดน an nah e ุขัยริล ah ักมโอมุฮ oh um ัมมัดอาจารยว่าท่านบีเล่าเรื่องนี้ในที่สาธารณะแล้วอ่านอายะนี้ให้คนได้รับรู้แล้วอ๋มีบางคนในหมู่พวกเขาเนี่แล้วนบีก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครอะนะในหมู่พวกเขาก็คือในหมู่พวกมุนาฟิกีนเนี่ยมีคนที่พูดว่าฉันเนี่ยหูเบาใช่ไหมกลโอมุฮัมมัดตอบเเลยกลอ้ดุนุขัยริลักม จงกล่าวเถิด อ, อ้มุฮัมมัดว่าคือหูแห่งความดีสำหรับพวกท่านมีหลายความหมายหูแห่งความดีเพราะอะไรนบีได้ยินแต่เรื่องดีๆมาบอกมารายงานกับผู้ศรัทธาอุลามาได้บอกว่าอุดนุใครที่หมายถึงว่านาบีนบีได้ยินแต่เรื่องว่าฮยูไงคำดำรัส Allah سبحانه และก็ดารอะไที ma, ma an, th th ot, an ่มารายงานทั้งวะฮยุวะฮยุที่เป็นพระดํารัตอันเป็นสํานวนที่มาจากอ l l a h า ب ح ا ن ه และก็ดารอะไรอย่างตรงไปตรงมาก็คือกุรานหรือวะฮิยุที่เป็นคําสั่งสอนที่จิบรีลที่จิบริลมาถ่ายทอดกับท่านนบีว่านี่พระเจ้านี่บอกอย่างนี้นะพระเจ้าสอนอย่างนี้แล้วท่านนบีก็มามารายงานมาถ่ายทอดด้วยสํานวนของท่านนบีเองก็คือหะดีษ ดูแล้วนี่นะครับทั้งหมดทั้งครูอ่านและกับสุนนะของท่านนบีสุลลัลละวะอเลี้ยวสัลลัมที่ที่อัลลอฮฺ سبحانه และเตารีบอกว่าไม่ยันติกว่าในเหว่าไม่มีอะไรที่ท่านนบีเปล่งวาจาออกมานี่นอกจากว่ามันจะเป็นวิญยูณที่มาจากอัลลอฮฺแสดงว่าที่ท่านนบีได้ยินมานี่มีแต่เรื่องอะไรมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นนะพิสูจน์ได้ไงพิสูจน์ได้กับกับคนที่อยู่กับท่านนบีทุกคนเลยเนี่ยที่เคยอยู่กับท่านนบีเคยได้ยินได้ยินอะไรที่ไม่ดีล่ะ ม, มีพอทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนาบีพูดเนี่ยมันจะเป็นข้ออ้างอ้างด้านศาสนาหมาวว่านบีจะพูดอะไรนี่นะจะถูกหยิบยกมาอ้างเออนบีพูดอย่างนี้สนแสดงว่าทําได้สแสดงว่าทําไม่ได้จากคำพูดท่านนาบีและจะมีอะไรเล่าสัดส่วนใดๆเล่าที่มันจะเป็นเรื่องไม่ดีจากสิ่งที่ท่านนาบีได้ยินมาแล้วมาถ่ายทอดไม่ไม่ไมไมไมคือศูนย์สิ่งที่ท่านนาบีได้ยินมาก็คือศูนย์ และเรื่องนี้ไม่ต้องไปพิสูจน์ยุคที่ท่านนบีเป็นนบีแล้วจะคนที่เป็นสาวกนบีแล้วในสังคมมุสลิมแล้วไม่พิสูจน์ก่อนที่นบีจะเทศนาที่จะเป็นนบีนะนบีถูกให้ฉา ย, ยา ว, ق, ว่าอซอเดกซอเดกหมายถึงว่าคนที่พูดสัจพูดสัจจริงไม่เคยโกหกและตอนที่ท่านนบีเริ่มเทศนาอิสลามเนี่ยชาวกุเรชีเขากรูดเขาแค้นมาก ท่านอบีเคยโกหกท่านอับีเคยพูดอะไรไม่ดีสักครั้งหนึ่งในในชีวประวัติของท่านอบีเนี่ยโอ้โหคงเอามาย้ำเละเลยเฮ้ยด้นะนี่นี่ใสัยของคนไงนี่ใส่ของคนเนี่ยวลาเห็นคนเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนดีนะเฮ้ยเองจําได้ไหมอเอาเอาอดีตของเขานี่มา มาเหียด ย, ยา ม, มาแต่ไม่มีอ่ะเขาไม่พบ่ในชีวิตของท่านนบีไม่มีอะไรที่น่าอับอายพอเพราะตลอดระวัสตรของท่านนบีนบีไม่เคยทำอะไรที่น่าอับอายแม้แต่ครั้งเดียวครั้งหนึ่งที่ยวชนรุ่นนบีหนุรุ่นหนึ่นกลางคืน ชวนท่านนาบีก่อนที่จะเป็นนบีนะชวนท่านก่อนที่จะเป็นนบีนะี่ยังไม่รุนอยู่ชวนไปไปแอบฟังไอ้แต่ก่อนมันจะมีพวกคูเลชเนี่ยเขาจะมีแบบบ้านบางคนเนี่ยบ้านบางคนเนี่ยทําเป็นแบบเป็นผับเลยคือมันต้องมันต้องใช้ที่มจะได้เข้าใจเป็นผับมีเหล้ามีผู้หญิงมีดนตรีมีทุกอย่างสารพั เป็นผับเลยแอบมาแอบบ บ, บฟังนบีก็ไปกับเขาพอไปถึงที่นู่นนี่นะ ล, ล่เลยท่านนบีสลบนี่นอนหลับไปทั้งคืนไม่ไม่รับรู้อะไรเลย a l l a อย่าซิมุกมีนเนอสบอกว่าเราคุ้มครองนบีทำไมอะเพื่อไม่ให้วาจานบีการกระทำของท่านนบีแม้แต่ครั้งเดียวนะที่มีเรื่องที่เป็นมลทินไม่มีนบีถูกถูกปกปอ ก, ปกรัก บอกรักษาอย่างดีจึงพิสูจน์ได้ก่อนที่นบีจะเป็นนบีนะแล้วก็หลังที่นบีเป็นนบีเสร็จแล้วอะนะพิสูจน์ได้มนุษยชาติทคนที่เคยสัมบัติกับท่านนาบีมีอะไรไม่ดีล่ะเข <c oughs> าอย่ายลืมเขาบอกว่า <c oughs> เขาบอกว่าหูนี่มันก็คือมันก็คือสิ่งที่สิ่งที่รับ ข้อมูลรับรับอะไรมามาเก็บมาเก็บในเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มาเก็บใ น, น, บ ใ, นในตู้เก็บของแล้วก็ลิ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นสารพีเหมือนเป็นชอ่อที่ตักคนเรานะครับพี่น่ถ้ารักษาหูนี่ว่าอย่างดีนะมันก็จะไม่มีอะไรที่มันเป็นอินเนอร์เนี่ยอะไรที่มันนำเข้านะหูตาเนี่ยถ้าเรารักษาหูตานี่ไม่มองอะไรที่ไม่ดีหูนี่ไม่ฟังอะไรที่ไม่ดี หัวใจสมองเรานี่ก็จะไม่มีอะไรที่ไม่ดีอ ส, สมมตินะครับว่าพลาดไปหูแล ะ, ะตานี่พลาดไปหูก็ได้ยินอะไรไม่ดีบางอย่างตาก็ได้ยินอะไรแล้วก็มันเข้ามาอยู่สมองนี่วิจารณยานนี่จะใช้ศีลธรรมคุณธรรมความรู้เนี่ยมันจะให้เรามีวิจารณญาณเนี่ยไม่ให้ลิ้นนี่นะตักสิ่งที่ไม่ดีก็จะเอาเฉพาะสิ่งที่ดีเนี่ยพูดมา อันนี้ถ้าขั้นตอนแบบนี้เนี่ยมันถูกปฏิบัติตามขั้นตอนแบบนี้นะแต่บางทีถ้าหูนี่ฟังแต่เรื่องไม่ดีตานี่ก็ดูแต่เรื่องที่ไม่ดีเพราะมันเข้าแล้วนี่ข้างในนี่นะมันแทบไม่มีอะไรดีๆลิ้นเนี่ยพอจะมาตักอะไรจะตักอะไรดีๆพูดถ่ายทอดมาเนี่ยไม่มีตักอะไรออกมานี่ก็กมันก็ด ที่มันไม่ดี ص ح บ ب านีพอเล่าประวัติของท่านนบีแล้วมีคนฟะฮิชันว่าลมุตฟะฮิชันนบีไม่ได้เป็นคนที่ใช้คาพูดลามกอนาจาร์ไม่ได้ใช้คาพูดหยาบคายไม่เคยนบีไม่เคยแสดงว่าลิ้นของท่านนบีก็ไม่มีอะไรที่มันไม่ดีที่จะตักมันจะโคจรจากสมองแน่นอนจิตใจของท่านนบีจะบริสุทธิ์ขนาดฉะนั้น เอวัยวะหนึ่งที่เขากล่าวหาท่านนบีว่านบีเนื้อหูเบาแล้วก็บอกว่าหูท่านนบีอุดุนุไคลินพิสูจน์ได้ว่าเป็นหูหูของท่านนบีสั่งละลายวาเลซันละหูแห่งความดีสําหรับพวกท่านความหมายหนึ่งก็คือหูท่านนบีได้ฟังแต่ว่าอยู่อย่างเดียวและมีอะไรที่พวกเจ้าจะไม่ได้ความดีและถ้าว่าหูของท่านนบีได้ฟัง ฟังวะยูของอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุตะนะลองคิดดูสิถ้าสมมตินะครับคนเราสักคนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งฟังกุศลานอย่างเดียวฟังกุศลานอย่างเดียวแล้วก็มีคนมาคุยมาอะไรคุยนิดหนึ่งแล้วฟังกุศลต่อฟังฟังกุศลหนึ่งเดียวลองคิดดูสิหนึ่งอาทิตย์เนี้ยลองจินตนาการนี่ ว่าสถานภาพของคนคนนี้จะเป็นแบบไหนพะไรที่ชีวิตของเราเป็นแบบนี้แล้วชีวิตตั้งชีวิตเนี่ยฟังแต่เรื่องดีเวลาเห็นก็ข้อนิงทานเนี่ยอุดอ่านก็ฟังฟังแต่เรื่องเรื่องพูดดีๆเรื่องอะไรดีๆเรื่องสร้างสรรค์นึงก็พยายามพูดชีวิตคนๆนนี้จะเป็นแบบไหนลองจินตนาการดิถ้าเราเป็นคนคนนั้นนะ่ะ ไม่ใช่อ้ยม่ช่หูอย่างเดียวนะทุกอวั ย, ว, ยวะเลยเราพยายามปกป้องรักษาให้มันสัมผัสเกิดขึ่งดีๆอย่างเดียวซึ่งชีวิตของท่านนาบีสโลโลอัลลอฮก็เป็นเช่นนั้นจริงเอรื้อหมัวคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามไม่หวังดีกับท่านนาบีนะมีเยอะคือคนที่เสียผลประโยชน์คนที่เสียผลประโยชน์จากการเผยแพร่ อ, อิสลามมนะเขาตั้งใจ เขาุ่น ม, มั่นที่จะทำลายอิสลามที่ทําให้เขาเสียผลประโยชน์เจ้าพ่อดอกเบีย้ยเจ้าพ่อโซเพนีเจ้าพ่อการพานันเจ้าพ่อค้าเจ้าวิตเจ้าพ่อเอ่อเจ้าพ่อเป็พวกอบยบุกสิ่งค์เหล้าเหล้าตกลง น, นู้นธุรกิจเจ้าพ่อ ขายสุราค้าสุราสิ่งมึนเมาดีทั้งหมดเนี่ยอิสลามห้ามหมดโอ้ซวยดิห้ามหมดแล้วก็จะหากินกันยังไงวิธีทําอะไรก็เชิญเขาเชิญเขามาวันเกิดกันเบิร์ดเดย์เชิญเขาดูมาคุยกันเออจริงนะเกิดขึ้นกับท่านนาบีแต่เขาไม่ได้เชิญท่านนาบีมาเบิร์ดเดย์นะเคยเชิญท่านนาบีมาคุย เรียกหน่อยดิสารวัตเฮ้เรียกไหมเรียก่อยเรียกมุฮัมมัดเนี่ยมาคุยหน่อยดิจะเอาอะไรอยากเป็นกษัตริย์ไหมอยากเป็นอยากเป็นผู้กำกับไหมผู้ยิ่งใหญ่ไหมเลยไม่สิจังหวัดนี้เดียวอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไหมหรืออยากจะได้สาวสวยๆอยากแต่งงานสาวสวยๆเดีเ๋ยวเลือกไว หรือยากจะรวยเดี๋ยวจะเก็บสวยไอ้เดี๋ยวเก็บดี๋แบ่งให้เป็น ท, <c oughs> ที่เตุไงมันเหมือนเด็ดเด็ละข้อเสนอส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะข้อส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แต่พวกสิ่งอับาะยะมุกเดยท่านว่วางๆก็เชิญมาที่ร้านร้านอัว ก, ก็ได้ดี๋ยวจะดูแลให้ร้านอะไรก็อาบอบนวดจะดูแลใหมือนเลย ถูกยุ่งดูสับนเด็เลยจ้าอะไรมหัมมัดเจ้าอะไรดยให้หมดพอไม่ยอมก็เลยแผนแผนขับไล่แผนสังหารแผนต่อต้านประกาศสงครามเสียบุญประโยชน์ทั้งนั้นและถ้าเจ้าตัวนี่เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนตรงไปตรงมา คนซื่อสัตว์จะทำอะไรกับเขาได้ไม่มีแผงไงไม่มีแผงเรียกว่าน้ำดีฮะเจ้าหน้าที่น้ำดีวิธีเดียวเก็บสิ่งที่เขาต้องการนี่ก็คือเก็บเก็บไม่ให้มีคนดีไม่ให้มีน้ำดีพราะมีน้ำดีกับน้ำเนา่า สังคมก็จะเทียบได้ว่าเออไอ้มันไอ้ดีมันอย่างงี้ไงดีมันอย่างนี้แล like ้ไอ้เน่ามันอย่างนี้แสดงว่านี่มันเน่าแต่ถ้าเน่าเน่าทั้งแผ่นดินน่ะคนเขาไม่เขาไม่เรียกหรอกว่าเน่าถ้าเน่าทั้งแผ่นดินน่ะคนไม่เรียกว่าเน่าทําไมอยู่อยู่กับน้าเน่าไอ้นอนเนี่ยไอ้นอนเนี่ยไอ้ไส้เดือนนี่ มันเคยตำหนิไหมไอ้บรรยการอุ้ยมันเล็ะมันนู่นไมไอ้พวกมแมลงแมงที่มันอยู่มแมลงสาบนี่มันเคยบอกโอ้ยทำไมฉัอยู่สังคมศกดสกรบกเหลือเกินนี่ในสังค ม, มแมลงสาบแมลงสาบทั้งหมดเนี่ยพึงพอใจเหลือเกินนะยิ่งอยู่ในที่ศกดิ์สิทธที่สุดสกดิ์สที่สุดเนี่ยยิ่งภูมิใจนี่ให้มันศกดิ์สิทธทั้งแผ่นดินไปเลยอย่าให้มีน้ําดีมีเจ้าหน้าที่คนเดียว ไม่รับสินบนนะ่ะนะโดยเรื่องงานเนะี่ยทําไมอ่ะพอจะหาว่าประชาชนมาแล้วอ๋อกน็นี่มีคนหนึ่งก็ไม่รับนี่ไงทําไมทุกพวกเองต้องรับละ่ะมันมีให้เปรียบเทียบมัะเรื่องดีกับเรื่องมีให้เปรียบเทียบไม่ได้อย่าให้คนได้เปรียบเทียบเลยให้เขารู้ว่ามีมีเรื่องเดียวแล้วเวลาเขามามีประชาชนมากว่าเฮ้ยทำไมทำไมรับสินบนนะ่ะเขาจะได้พูดด้วยเต็มปากอ่ะ รับกันหมดแหละทุกที่นั่นใช้ใช้ใชวลีเนี่ยรับกันหมดแหละคำนี้มันจะได้พูดจริงเออเขาไม่โกหกนะการรับกันหมดจริงๆไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ไม่รับรับมันหมดแหละมันหมดจริ ง, รงๆเพราะมันไม่เหลือเลยคนี้ไม่รับนี่กูจัดการหมดแลวไม่มีทำเป็นเล่นในะสังคมเนี่ยมัวแต่สนุกดูข่าวโอ๊ยตารวจ อยู ieurs, ian, ỏi, ่กันหลายคนแล้วก็เอ้ยจำแล้วก็หัวประมูลไอ้เรื่องนี้มันไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันประเด็นนี่มันไม่อยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ในสังคมของเรานี่มันมันเน่าเฟะกับทุจริตที่มันมันกลายเป็นระบบแล้วคนที่เน่าเฟะนี่จะไม่ยอมให้คนบริสุทธิ์เนี่ยปรากฏตัวปรากฏตัวในหน่วยงานต่างๆในสังคมใครใครน้ําดีคนหนึ่งอะนะทุกขจัดออกไปจากสังคม และนี่นี่แค่หน่วยเดียวนะหน่วยหนึ่งนะและหน่วยอื่นหน่วยอื่นในสนสพ อ, อื่นๆที่ที่มีผลประโยชนนะ์มีผลประโยชน์มากมายสำนักงานของหน่วยราชการต่างๆที่ให้บริการกับสังคม ขณะที่เรื่องตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะได้ตรวจสอบดูอะเออเรื่องทุจริตนี่มันเพราะอัตราวัดความทุจริตเนี่ยมันต้องมีข้อมูลตรงไปตรงมาแต่อีข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันวัดไม่ได้เขาแค่สถานีฐานอันนี้ขนาดสถานิฐานแล้วอะนะเมืองไทยยังติดอันดับต้นๆเลยนี่ขณะข้อมูลไม่ตรงไปตรงมานะและถ้าเปิดเผยแล้วจะสามารถ เปิดเผยรู้แล้วว่าเออมันกี่เปอร์เซนต์เขาเรียกกันเท่าไหร่และบริการที่ให้สังคมแต่และที่เนี่ยให้กันเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เจ้าหนที่นำดีผู้นำที่ดีผู้นำที่เอื้อประโยชน์กับประชาชนเหมือนท่านนายีเนี่ยอุตุนุค่อยริ ล, ละกุมหูแห่งความดีสำหรับพวกท่านยูมินูบิลแลฮ ข้อดีหนึ่งและที่สําคัญของท่านนาบีเนี่ยที่จะทําให้ท่านเนี่ยไม่เป็นคนที่ไม่สามารถบริหารอาวัยวะของเขาเนี่ยยางชอบธรรมนี่นะข้อดีข้อแรกเนะี่ยยุมินูวิลเล่โดยที่ศรัทธาต่อองค์ลอร์นี่คือข้อดีข้อแรกของผู้ศรัทธาถ้าเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะนะความศรัทธาเนี่จะต้องควบคุมอวัยวะของเขาเนี่ยให้ทําต่เรื่องดีที่เกิดประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นวายุมินูลิลมุมินีนะ ยุมินุลิลมอมินีเชื่อถือต่อผู้ศรัทธาทั้งหลายยุมินุบิลลาัตตาต่อ Allah ยุมินุลิลมอมินีเชื่อถือต่อบรรผู้ศรัทธาอ่ะันนี้ก็ยุมินศรัทธาต่อ Allah ยุ้มินเชื่อถือต่อผู้ศรัทธาใช่เพราะเขาบอกว่าอามันะเนี่ยกรีอาอามนะมีหลายความหมายหนึ่งในความหมายนี้ก็คือศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อมั่น อีกหนึ่งความหมายหนึ่งแอมันอายุมิโนแปลว่าซื่อสัตย์กันซื่อสัตย์กันเออยุมิโนในมุมนี้หมายถึงหัวท่านนบีนี่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อผู้ศรัทธาคือตรงไปตรงมาท่านนบีไม่ซับซ้อนไม่ไม่มีอะไรที่มามาต้องมาเลี่ยมกับกับผู้ศรัทธาซื่อตรงเชื่อถือต่อผู้ศรัทธาแล้วคนที่ซื่อตรงนี่คนก็ต้องเชื่อถือดิ คนนี้ต้องคนต้องไว้ใจไว้วางใจอัลลอฮฺมะตุลลิลลัลีนอามานุมิงกุลและเป็นการเอ็นดูเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกท่านเมตตาต่อสตรีเมตตาต่อเด็กเมตตาเมตตาต่อคนชราคนป่วยคนในสังคมนี่ก็พิสูจน์พิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยสายตาของของตัวเองนี่เห็นถึงความเมตตาของท่านนบีสุลต่านละัลสละขณะที่ท่านนบีต้องเสียสละ อาหาที่ท่านนาบีต้องกินนบีต้องอดอยากอดอยากสังคมก็รู้เป็นเรื่องที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใครไม่รู้ในสังคมมัดีนะนบีต้องอดอยากนาบีไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าใช้ชีวิตแบบบรุร่ใช้ชีวิตแบบกว้างขวางเป่านบีต้องอดอยากเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้ ม, ไดมีได้มีกินส่วนหนึ่งที่ท่านนาบีได้รับจากเป็นสิทธิ์อภิสิทธิ์ของทรัพเฉลยเนี่ยนบีก็บอกว่า ส่วนที่ฉันได้มาเนี่ยก็กลักไปยังพวกเจ้านบีละหมาดครั้งละหมาดเร็วผิด ป, ปกติสหบ้ า, านี่ก็แปลกใจเพราะท่านนบีละหมาดเสร็จแล้วท่นบีก็รีบเข้าว่านออกมาสาบ้านก็อดสแสดงความแปลกใจไม่ได้นบีไม่เคยทําแบบเนี้ยนบีจะละหมาดชา้ชาๆนบีแต่ทำไมนบีรีบละหมาดเขาเนี้ยเขาก็เข้าละหมาดในเดกก็ตุติบรันลีฟิลเปิดในเนกั ว, นกวในบ้านเนี่ก็มี มีเงินทองอยู่ก้อนหนึ่งทองคำ อ, อยู่ก้อนหนึ่งเกรงกลัวว่าลูกฉันจะเสียชีวิตแล้วก็ทองเนี่ยมันยังอยู่ที่บ้านฉันนะรีบละหมาดแล้วก็สั่งให้เอาทองนี่ไปแจกท่นไม่ถไม่มีนบีนบีไม่ไดไม่ไีไม่ได้อมของอะไรไวที่บ้านไม่ได้อมของอะไรไว ทุกอย่างแม้กระทั่งสรัพสินส่วนตัวนบีก็พยายามระบายออกให้คนได้าชิได้ประโยชน์นี่ความเมตตาขนาดนี้แล้วมาย้ํานตอนท้ายอัยนี่ว่าเูลลานั้นขเาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวดอัยนี้อิหมาอุลใจเมียได้อ้างเป็นส่วนหนึ่งในบรรดาอายะต่าง เกี่ยวกับการลบหลู่ท่านนบีสล่าละฮะเลือดเสร็จว่าการลบหลู่ท่านนบีเนี่ยทำให้คนที่ลบหลู่เนี่ยตกศาสนาอย่างสิ้นเชิงและท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งซาริมุลมสลูลอาลาชาติมิรราะซูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะกิดเหุการ์สมัยอินเตมียนีว่ามีชาวคริสต์คนหนึ่งได้ลบหลู่ท่านนบีสุลล่าละฮะลือดเ ลบลูเสร็จแล้วเนื่องจะกว่าชาวคริสต์นี่ก็มีเส้นสายรู้จักกำนันรู้จักพวกมีพวกมีอิทธิพลเยอะพวกมีอิทธิพลก็เาเรียกอะไรอ่ะไม่ดำเนินคดีคดีไม่คดีลบรลู่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่คืบหน้าอิมามดีเมียก็เลยไปร้องเรียน ทำไมปล่อยเขาได้งไงรู้หูดด่ท่านนายเอง น, บบงนี่คนซื้อของเขาเนี่ก็เลยบอกว่าวิธีดีที่สุดนี่นะท่านจะได้ไม่โดนดําเนินคดีนะท่านรับอิสลามแสดงรับอิสลามเถอะจะได้พ้นเขาก็ประกาศรับอิสลามแล้วเนี้ยก็เลยเขียนหนังสือเลยรับอิสลามก็ไม่ได้พ้นต้องลงโทษก่อนอ้ยนันนี่ในอ้ยาที่ เนเได้อ้างนะครับเกี่ยวกับความผิดของคนที่ลบหลู่ท่านนบีสลอออลลัลลอฮอลฮะหนึ่งอายะหกนี่มันสีนี่่างจากอายะที่หกเนี่ยที่เขากล่าวร้ายท่านนบีสลลัลลอฮอลฮัลลฮบาวนนก็คือพวกนี้แหละพวกมุนาฟิกีนรวมกันวงไหนอะนะแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเขานกลุ่ยังเป็นเด็กซฮามรเอมเนกซงเป็นเด็ก เขาก็ไม่ไม่สนใจเขาก็พูดกันในวงในบอกว่าที่มุฮัมมัดพูดนี่นะอันนี้ผมรายงานตามเขาอ่ะนะเราเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยไม่เรียกนบีด้วยชื่อนะเรานี่จะไม่เรียกเรียกด้วยชื่อนี่พวกคนที่ไม่ได้ศรัทธาเนี่ยก็เขาเรียกมุฮัมมัดอย่างนี้อัลลอฮ์ห้ามละตจัลูดูอาอัลรัซซุลีเบนักุมแคดูอาอีบะอัติกุมบั๊ก ض แต่เราเรียกนบีเขาต้องเรียกด้วยฉายาด้วยตําแหน่งของท่านนาบีท่านนายบีท่า น, น, าา น, น, าานราัศวลเรียกมุฮัมมัดเปล่านี้ส่วนมากก็จะเป็นผู้ปฏิสติอาที่เขาจะทำมุฮัมมัดอันนี้ผมก็รายงานนะที่มุฮัมมัดนี่พูดจริงที่ไหนล่ะถ้าที่มุฮัมมัดนี่พูดจริงอ่ะนะพวกเรานี่ควายเขาไม่ใช้คําว่าควายนะเขาใช้คาว่าลาลานีในในวัฒนธรรมอาหรับนี่ก็เหมือนควาย ว่าที่นูนะสัตว์ที่โง่ที่สุดเนี่ยสมมตว่านาตาบบนก็คือลาควายนี่ก็โง่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ไม่อคยใช้กันแต่บ้านเราเนี่บอกว่าเอ็งเหมือนลาสวยอย่าสวยไหมคนไม่ไม่ไม่ค่อยเก็ตนะถ้าบมแปะเนี่ยบอกว่าไอเหมือนลาไงอาจะงงเลยทำไมลามันสวยยังไงไม่ก็เหมือนควายนี่แหละเออมันก็จะ เพราเอ่ยนี่ควะเก็ดเลยฮะเข้าใจเลยเอย่างที่อาหรับนี่แทบะคำว่าควายกับเบื้อเนี่ยคําด่านะแต่ไม่ใชหมายถึงมันโง่หรืออะไรอย่างนี้นะไม่ตัวใหญ่อย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ไอควายหมายถึงว่าตัวใหญ่มันไม่ใช่คาด่าเหมือนเหมือนที่เราดา่าแล้ะอันนี้อันนี้นนเล่าวัฒนธรรมโดยบุเผื่อไปที่นู่นนะเพราะบางทีนะตอนไปที่นู่นนะคนไทยที่ไปเรียนที่นู่นนะช่วงแรกเนี่ยโดนดา่าอีลาอีล า, เ, ลาเขาก็มเฉย แต่ลานี่ถ้าเป็นคำด่าที่มันมาคล้ายๆมันไม่มีค่าเดียวกับคำว่าควาอยอ่ะเหมือนบ้านเราแต่ที่นู่นนะถ้าคนไทยดูกด่าล้าน <c oughs> ี่ไม่ค่อยกระทบมากหรอกเขาก็เลยบอกว่าถ้ามูฮัมหมัดนี่พูดจริงนะที่คุรานอะไรนี่เนะ่แล้วนี่ก็มีเป็นพวกลาอย่างเดียวับพวกควายอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่ายืนยันนะ่ะการันตีด้วยตัวเองว่าเขานี่มันยีควายนะแสดงว่าที่มูฮัมหมัดพูดนี่นะไม่จริง อันนี้คือมูนาบิกแแท้เลยมูนาิกคือไม่สัต์ใจเขานี่ไม่มี้ศรัทธาแล้วเอาแล้วก็ดีเขาไปละหมาดกันนบีไปอะไรกันนบีนั่นมุนาิกเปิดเผยอิสลามแต่ข้างในไม่มีมุสลิมอามรก็เด็กที่นั่งอยู่นี่นะบอกว่าที่นบีมูฮัมมัดนี่พูดนี่เป็นมุสลิมนะเงาขนาดเด็กนะเป็นมุสลิมเาบอกท่านนบีมูฮัมมัดุลที่ท่านนบีพูดเนี่ยจริงทั้งนั้นน่ะแล้วพวกทัานนี่ล้วนเป็นควายทั้งนั้น กบางทีเนี่ยมันไม่ดีอยู่ที่อายุนะไม่อยู่ที่อายุเนี่พอที่ปฏิทีศรทธาทั้งนั้นกับอูุโสทั้งนั้นน่ะแต่คนที่ยินยัดขนาดนี้นี่ก็เด็กแล้วไปฟ้องท่านนบีสุลต่านาอะไรอยู่สิละนบีก็ดเรียกมานี่พูดจริงเปล่าไม่จริงขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอ์นี่ว่าเราไม่ได้พูดแบบนี้แล้วก็ไอเด็กคนนี้นี่มันโกหกามริบเนค่าซเลยบอกว่า ฉันนะขอสาบานนะว่าฉ ah ันพูดจริงโอ้ล ah l ะ a h อย่าได้ให้จากกันจากมัจลิสนี้เนี่ยอย่าให้กระจายกันจากมัจลิสนี้จนกว่าให้พระองค์ท่านเนี่ยพิสูจน์ว่าข้าพเจ้าเนี่ยพูดจริงว่าอายุลงมาทันทีเลยในในสายพระเนี่ยองค์ล l l a h นี่ไม่มีเรื่องอายุเหมือนกันนะเป็นเด็กเนี่ยอามะก็ตอบรับทันทีเลยนะเด็กนะเราตอบรับเลยอย่าได้ให้ใครจากจากมัจลิสนี้เนี่ยจนกว่า ให้ปรากฏซึนน่งความจริงอัลลอฮ์ก็เลยประทานอยนี้ลงมาทันทียลฟูนบิลลาลกุมล่ยรดคุมอัลลอ์วะรูลอฮักะยรดอินกาโนะมุมินีนพวกเขาสาบานด้วยอัลล์ด้วยพระนามอัลลอ์ให้แก่พวกเจ้าสาบานให้พวกเจ้าได้ฟังให้เขาเชื่อนะสาบานให้นบีให้สาบาน้เชื่อมายงว่สาบานนี่แเรื่องที่ด้เล่าข้างต้นเนี่ย สาบานว่าเขาไม่ได้พูดลิยวดูกุมเพื่อที่จะให้พวกเจ้ า, จาพอใจเพราะนอยบายของมุนาวิกีน่ะนะก็คือช่วงนี้เนี่ยมุสลิมเนี่ยอำนาจเขาก็ลังเขากงแรงอยู่เราทำยังไงเราเฉยๆก่อนปิดก่อนทำท่าเหมือนเป็นมุสลิมเ ย, ยจนกว่าจะถึงจังหวะมูตะบอบนุกุชัย หรือเนปเตลิมเนลฮารทิสที่เอ่ชื่อมาสองคนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของมุนาบิกินที่เคยเอาข้อมูลของท่านนบีของกองทัพ น, นบีเนี่ยไปส่งให้ชาวกุเรชไปส่งให้ศัตรูของท่านนบีสัลลัลลอฮฺแม้กระทั่งในสงครมสนามเพราะอัลคันด์ดเช่นเดียวกันให้ข้อมูลไปยูและให้ข้อมูลไปยังกุเรชเนี่ยเพื่อเพื่อสองกลุ่มนี้กามาม า, มารุมท่านนบีสัลลัลลอฮฺ นี่ยกุมบนาฟิกินนแหละท่านน บ, บีในสงครามอัลคันดักเนี่ยเจอศัตรูสามประเภทสามประเภทศัตรูภายนอกภายนอกขอกุรไรชมาจากมักกะนี่มาล้อมมัดีนะแต่ในมัดีนานี่มีศัตรูสองประเภทในเมื่อเน่ยยิวยิวที่ทำสัญญากับท่านน บ, บีว่าจะปกป้องซึ่งกันและกันนะบิดพิ้วสองก็พวกมุนาฟิกีนที่เขาเปิดเผยว่าเป็นมุสลิมก็แสดงว่าต้อ ง, ต, องต้องอยู่กับท่านน บ, บีแต่ปรากฏว่าหักหลังท่านน บ, บีแล้วก็ส่งข้อมูล ส่งข้อมูลในทั้งยิวทั้งชาวกุรชเนี่ยส่วนหนึ่งของมูนาฟิคมผลงานมูนาฟิกีนั่นก็คือเรื่องนี้เอร์ดูกุมไอ้ให้มันมืนผ่านไปถ้าเกิดวิกฤตปัญหาอะไรเนี่ยก็สาบานสาบานแล้วก็ปฏิเสธปฏิเสธไปก่อนปฏิเสธทุกทุกข้อกล่าวหาส و ر อัลมูนาฟิคูลส่วนหนึ่งเช่นไ a l l a ได้พูดในอุบายของเขาเนี่ยถมา خذ أيمانهم ج ن น إيمان ของเขานี่เอาอีมานของเขาเนี่ยจุนนันมาเป็นกรอบป้องกันตัวเองเฮ้ยฉันเป็นมุสลิมนะฉันเป็นมุสลิมนะอะไรง้ยจุนนัน์ัดดวนสบล่ะจึงสามารถทำทาอุบายตามอุบายของเขาอุบายของเขานี่คือบัทอนความ ความเข้มแข็งของสังคมสร้างความมรสุมรสายในสังคมเวลาเกิดสงครามในอนูปล่อยข่าวทําให้ทําให้สังคมนี่หวั่นไหวทําให้บรรทอนความความเข้มแข็งของสังคมนี่เป็นอุบายของของมุนาฟิกินลิวดูกองเขก็พร้อมที่จะสาบานทุกเมือเอ่อก็่ในเมื่อเขาไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์อย่างแท้จริงดังนั้นคําสาบานจะมีจะมีความหมายอะไรละ่ะเช่นเดียวกัน นบีจึงถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่สุดบาปใหญ่ที่ที่ยากที่จะเติบัตรตัวได้อาลีามีนุลอหมุสสาบานเท็ดโดยที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยพูดเท็จรู้ว่าตัวเองโกหกนะแล้วก็ยังสาบานยังสาบานดอาลีามีนุลอหมูสลอมุสนบีบอกว่าลอมูสนบี เรียกวอยามียามียนแปว่าสาบานุกมูสแปว่าจมทําไมเรื่องก็จมจมไปนรกนรกจมเป็นนรกโลกอีกทีหนึ่งไม่ได้แล้วทําไมอ่ะเพราะคนที่สาบานด้วยพระนามของพระสุภาโดยรู้ว่าตัวเองโกหกนี่เท่ากับไม่ให้เกียรติพระนามของอลระแล้วคนที่ไม่ให้เกียรติพระนามของลระเนี่ยมีลักษณะคล้ายคยคนที่ปฏิเสธองค์ละไงเพะนั่นไม่ให้เกียรติพระนามของลระพระนามของลระนี่ไม่มีความหมายในความเชื่อของเขา ข่ใครขมูนาิกินเนไม่ศรัทธาในอัลลอ์นี่ก็เอามาสาบานสบานเล่แลยังไงก็สาบานได้เขาไม่เชื่ออยู่แล้วไงแล้วเขาหลอกสังคมว่าฉันเป็นมุสลิมนะแสดงว่าฉันสาบานก็ต้องเชื่อฉันนะทาไมอ่ะมุสลิมเนี่ยเขามีเขามีเขามีคำสั่งอยู่แล้วในมันที่ของอิมามอัดุละอีบหนูมาจ้ะท่านอะบดุลสลามได้บอกว่ามันเพลฟับิลฟัลยด ใครที่สาบานด้วยพระนามอ Allah เนี่ยก sí ็ตงให้พูดจริงให้พูดจริงอย่าโกหกนะมันฮุลีฟาลหบิลฟลรละผู้ใดมีใครมาสาบานด้วยพระนามอ Allah ให้เขาแล้วเนี่ยจงเชื่อเขาใครมาสาบานใครมาสาบานขณะที่อุลามะได้บอกว่าถ้าเราเห็นอะไรเนี่ยเห็นกตาเนี่ยแล้วก็มีคนมาสาปานูเฮ้ยไม่จริงอย่างที่แกเห็นเนี่ยไม่จริง บอกว่าเราเชื่อคำสาบานและปฏิเสธสายตาของเราทำไมอ่พะพ่ามุสลิมเนี่ยเคารพอัลลอฮ์นี่มากกว่าอวัยวะของตัวเองแต่วาคนก็สาบานฉันให้เกียรติพระนามของมันในเมื่อเอ่ยพระนามอัลลอ์มาแล้วเนี่ยฉันต้องสย บ, บในบิบก็มันฮุลลวบิลฟเลร์่อใครที่ถูกสาบานให้เขาฟังเนี่ยยพระนามอัลลอ์เนี่ยต้องเชื่อเขา บีสังให้เชื่อนะว่า ม, า ม, งงะมันไยดีแต่ไมองพะ้ลผู้ใดที่ไม่เชื่อละม้คนที่สาบานอะไรเราไม่เชื่อละมีคนมาสาบานไม่เชื่อจะไม่เชื่อไม่ได้นะไม่ได้นะถ้ไมได้แต่แปลกใจโอ้ยกล้าสาบานนี้นได้แต่แปลกใจแต่เราก็ไม่เชื่อพูดไม่ได้ทำไมเพราเราให้เกียรติพระนางของพระเจ้าวามันไม่ยิีแล้ใครที่ไม่เชื่อละแต่งไงม่ใช่พรกของพรเา คนที่มีคนมาสาบานเนี่ยเขาฟังแล้วก็เขาไม่ยอมรับไม่เชื่อปฏิทเสธอย่างเงี้ยอรสักมิฉะนั้นคำสาบานถ้าขึ้นศาลน่ะและสาบานเนี่ยเป็นอันที่จบต้องจบนะเพราะมันมันมันมันมไม่จะไม่ไม่รู้จะไปถึงไหนแล้วถ้าคนถ้าคนสาบานด้วยพระนามอัลลอฮ์นี่แล้วแล้วก็ยังจะโกหกมันก็ต้องจบมันก็ต้องตัดสินตามข้อเท็จของเขาเพราะมันจะพิสูจน์ยังไง อันนี้ในในในสันนิฐานว่าเออมันพิสูจน์ไม่ได้อะ่ะนอกจากว่าเราต้องฟังเขาแล้วเขาสาบานแล้วก็จบมันก็ต้องจบตามนั้นหรือบางอย่างนี่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีที่จบต้องต้อ ง, อ, งอย่างเช่นผู้ชายย่าภรรยาผู้ชายนี่ยาภรรยานี้ไอด้าของยาเนี่ยเวลาที่รอคอยของผู้หญิงที่หลังจากถูกย่าแล้วเนี่ย สามประจำเดือนถูกต้องมหเรื่องประจำเดือนเนี่ยใครจะรู้ล่ะใครจะรู้อัลลอฮฺจึงบอกในกุฎอ่านถ้าพวกนางที่พูดอะไรก็ต้องเชื่อพูดอะไรก็ต้องเชื่อมันมีผลอยู่ที่ว่าถ้าไอ้ด้านี่มันสามประจำเดือนแล้วนี่นะหลุดแล้วนะ ถ้าเขาจะคืนดีนี่คืนไม่ได้ไม่ได้ต้องไปขอใหม่มาฮัใหม่ไปแต่งงานกันใหม่นี่ใหม่หมดเลยใหม่แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะไปที่เศษไม่แต่งงานอีกใช่ปะนี้ไอ้ด้านนี้แนะ่สุขวด่ายาไปแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ผ่านสามประจำเดือนผ่านไปสองประจำเดือนแต่ผู้หญิงที่บอกว่าสามประจำเดือนแล้วผู้ชายทำได้แหละทําอะไรไม่ได้เขาพูดมันต้องจบที่เขาอ่ะถ้าค้าน่ะนะ อุทธรไม่ได้ไมัน ไ, ไม่จริงศาลนี่ก็จะให้ภรรยานิสาบานแล้วจบจบที่นั่นเลยอันนี้มันยังอื่นแล้วมันจะไปไหนอะไปกันได้ไงก็เขาเป็นเรื่องของเขาเองจบที่นั่นเห็นมหมคำสาบานนี่สำหรับสังคมมุสลิมมันนะ่เป็นที่จบฉะนั้นสัศา ส, สนานี่งอบรมว่าเรา เราอย่าใช้พระนามอัลลอฮ์นี่ว่าเล่นในเรื่องอะไรในเรื่องค้าขายและในเรื่องข้อพิพาทเป็นมารายาทของผู้ศรัทธาค้าขายเนี่ยอย่าเอาอัลลอฮ์มาใชา้โอ้ฉันสาบานเอาได้กําไรแค่นิดเดียวนแต่ บ, บีบอกว่าบาปใหญ่ซื้อขายด้วยพระนามอัลละฮ์แตนที่ยซื้อซื้อขายด้วยด้วยความสัด จ, จริงด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงของตัวเองอะนะ จะได้มีชื่อเสียงว่าเขาเนี่ยคนนี้คนนี้คำไในคํานั้นแต่จริงด้วยพ่อค้าแม่ขายที่เขาเสื้อตรงอะนะชื่อเสียงของเขาเป็นที่เป็นที่รู้กันในสังคมไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมาพิสูจน์คนคนก็เห็ น, นะนะแนนอนอะไรเขาพูดอะไรนะั้นมันมันเป็นไปตามนั้นจริง <c oughs> แต่ก่อนนู้ผมจะแปลกใจอะนะมีบางทีเนี่ยไปไปห้างไปตลาดแพ้ ไ, ไร ร้านหนึ่งต่ อ, ต อ, ตอไม่ต่อราคาเลยบงังบังไปไปเที่ยวกันนะไปดูนะนะและ้วแต่เจอถูกกับผมเนี่ยมาเ็มีบางคนนี่งกล้าพูดก็เป็นจริงตามที่เขาพูดจริงนะนะไปที่ไหนเนี่ยก็จริงไม่ไม่แต่มีบางคนน่พูดเป็นงั้นนะเน่ยพอ ร, รู้ว่าคนนี้เนี่ยไม่ไ ม, ไม่ชอบเดินอย่างผมเนี่ยไม่ก็ชอบเดินบางทีเนี่ยเขาบอกผมเนี่ยมันก็จบที่นั่นเลยนะเชื่อ ไมอยากเดินอย่นี้ผมก็พูดยริงเนี่ยแล้วผมเนี่ยพยายามบอกตัวเองอะนะเออถ้ซื้อเร็วกว่านะพอออกจากห้างออกจากตลาดแล้วเนี่ยห้าหมแวะไปถามอีกนะถ้าซื้อแล้วอะนะห้าวทําไมอะเดี๋ยวจะเป็นโรคซําเศร้าก็จริงด้วยซื้อแหะซื้อแล้ ว, อ, ลวอ่าซื้อซื้อไปแล้วงนะเอาเชื่อเพราเนี่ยมันถูกที่สุดแล้วอะนะพอไปเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ย มันคันน่ะถามเท่าไหร่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยราจิบไกลับบ้าเลไปตรงความซื่อตรงนี่ั้งหมดในเรื่องค้าขายเนี่ยเวลาคนใช้พระนามอัลลอฮฺสุฮาห์นะดาลนแย่ที่สุดเลยแย่ที่สุดแล้วเรื่องพิพาทเวลาขัดแย้งกันเวลาเถียงกันเนโหวอยเลย ยังไม่ได้เลยก็ลอยเลยใจเย็นใจเย็นๆเดี๋ยวบางทีเนี่ยวันลอยก็เนื้เรื่องในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอะคำนันนกนี่มันมันไม่มีอะไรหรอกขอสาบานไม่ใช่เรื่องของคุณน่ะไม่ต้องเอาอัลลอฮ์นี่มายุ่งกับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยบางทีเถียกันยังไงเถีงกัเรื่องการเมืองเรื่องอะไรอย่าง้เรเอาอัลลอฮ์มาสาบานีเรื่องอะไร อ qua, ana, qua, ya, ah en eng, en ุลมะเดียวก่อนี่เรื่องสำคัญนะอุลมะว่าเรื่องสาบานเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องที่เห็นแก่ตาได้ยินแก่หูเห็นเองได้ยินเองแต่อีเรื่องที่ไม่ได้ยินไม่เห็นน่ะนะถ้าจะใช้อ่ะนะใช้ว่ารู้หรือไม่รู้สาบานว่าไม่รู้สาบานว่ารู้เพราะเรื่องที่เราไม่เห็นเราไม่ได้ยินน่ะจะไปสาบานว่าเห็น ทั้งที่เราไม่เห็นมีคนหนึ่งมาปรึกษาอบีเรื่องการให้การเนนะีน่ยในศาลในคดีอในบีบอกว่ามานีเห็นดวงอาทิตย์ที่ไหมโยโเห็นบอกว่าให้เป็นพยานในเรื่องประจักษ์แบบนี้ที่เจ้าเห็นเนี่ยมิฉะนั้นไม่ต้องเป็นพยานให้มันชัดเป็นพยานในสิ่งที่มันชัดแต่สิ่งที่ไม่ชัดนี่เป็นพยาน อ๋อน่าจะเป็นอย่างงูน้นน่าจะอันนี้ไม่ใช่พยานนะอันนี้เป็นนักวิเคราะห์นสิไม่ใช่พยานพยานหลักฐานนี่ไง ว, ว่าเห็นหรือได้ยินอ๋อน่าจะสาวมันจะเป็นอย่างงนี่ไม่ใช่พยานชายพระนะามของ Allah سبحانه และก็ดาร์ลให้ผู้ศรัทาได้พอใจเพราะอย่างที่นบีบอกใครที่สาบานโดยพระนามของ Allah พวกเจ้านี่พวกเจ้านี่ต้องเชื่อและถ้าไม่เชื่อนี่พวกเจ้านี่ไม่ใช่พวกผู้ของ Allah พอเขาสบบาบานในผู้ศรัทธาแล้วนี่นะัก็พอใจโอเ ค, อเคจบแล้วคนสำหรับเราในสำหรับผู้ศรัทธาจบแล้ ว, แ, ลวแต่ Allah سبحانه และ ت ع ا า ى ได้ตือนพวกมุนาฟิกนี้บอกว่า Allahu Rasuluh hak ayurduhu และ Allah ล่ะรัสูลของพระองค์นั้นเป็นผู้สมควรยิ่งยิ่งกว่าที่พวกเขาจะทําให้เขาเพึงพอใจหมายถึงว่าถ้าจะแสวงหาให้ใครพอใจเนี่ยก็ต้องให้อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์รัสูลีพอใจมากกว่าไม่ใช่ให้ สังคมนี่ได้ออรับรู้ว่าเขาสาบานด้วยพระนามของเราแสดงว่าเขาพูดจริงมาไปล่อยๆเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอะไรองี้และมันจะจบแค่นั้นน่ะไม่ใช่เพราะอัลลอฮฺสุบภาโนะตะลารู้ข้อเท็จจริงพวกเจ้า ก, ก็ต้องให้อัลลอฮฺผอพระทัยก่อนมนุษย์หากพวกเขาเป็นผู้ศรัทธาอิงกานุมุมินีนี่แสดงชัดเจนเลยนะผู้ศรัทธานี่ไม่สนใจ ความพอใจของใครนอกจากความพอใจของอัลอฮฺเราลสโอยดูคนนู้นไม่พอใจนะนแล้วจะเขาแต่ขออย่าละพอใจให้ All ok ดูคนนั้นเขา่นะเาไม่สบายใจนะครับฉันทำในสิ่งที่ฉันสบายใจว่าอัลลอนี่พอพักใจมันเรื่องสำคัญมากนะครับในสำหรับสาหรับชีวิตผู้ศรัทธาที่จะต้องต้องปรับอุดมการของตัวเอง เราให้ความสาคัญกับความรู้สึกของคนอื่นแต่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดที่จะต้องต้องละเมิดละการศาสนาให้คนได้พอใจกับเราทำอะไรบางอย่างเนี่ยเพราะสังคมอยากจะสบายใจที่ไปที่มาของของวลีคาว่าเอาที่สบายใจเอาที่สบายเอาที่ให้มัน เอาที่เอาที่านสบายใจมานถึงว่าเดี๋ยทนจะให้เอาให้มันถูกต้องเราให้มันถูกต้องแล้วทุกคนบ้านปลายจะสบายใจเราความสบายใจชั่วคราวไม่งั้นไม่ต้องไปหามหมอกันนะไปหามหมอนี่ หมอบอกว่าเอ็งมีโรคนี้องไม่ต้องระวังนะห้ามกินนู่น้ำกินกนี้ต้องกินอย่างนึงหรอกเล้ยเขาสบายใจไหมทำไมทําไมหมอคนนี้ไม่ดีเลยทําไมหมอมันชอบพูดความจริงอ่ะหมอนี่มันชอบบอกอะไรที่ฉันมีจริงอ่ะแล้วหมอมันห้ามฉันอ่ะก็ไม่ไม่ไม่ดีอ่ะไม่ดีไม่สบายใจไอ้เงินเอาที่สบายใจตัวเองในสุขภาพแข็งแรง กินอะไรก็ได้เอาเอาที่สบายใจมีหมอแบบนี้ไหมผิดตนยาบันใช่ไหมอืมอีกเมือนันทำอย่างนี้ก็ไม่ได้อาจารย์คนเนี้ยทาอย่างนี้ก็ไม่ได้ ง, งุ่นก็ไม่ได้ง้ก็ไม่ได้โอ้ยอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวน้ำ ก, กับากบาปกวยกับบาปแต่ก่อนุ่นเคยมีเเคยมีวลีแบบนี้ไอ้พวกนักวิชาการนี่บาปมีตรบาปบาปบาปอะไรก็บาปหมดเดีววยกับบาป กล้วมันไม่บาปแน่นอนแต่หมที่ึงว่าเขาเขาเออมันเอาเอ า, เอาแบบบาปกันทุกอย่างแม้กระทั่งกล้วยนี่มันเดี๋ยวเ ด, ย ว, เ ด, ย, วเดยวก็จะบาปนะกล้วยมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเอาอยัางไงดนตีก็หลาล้านปนหญิงชายก็หลาล้านฮะสัมผัสแล้วก็หอมแก้มผู้หญิงเพศตรงข้ามก็หลาล้านพาแฟนไปกินกาแฟไปดูหนังก็หลาล้านหมดไม่ไมีอะไรหรอกถ้ายังไม่ถึงขั้นซีนา มันที่นักกุชาการที่บอกนู่นเนี่ยเขาเคยถ้ามันยังไม่ถึงขั้นศีนาเนี่ยก็อย่าไปอย่าไปอะไรอย่าไปยุ่งยากกอะไรกับเขาเอาที่สบายใจและนักกุชลการที่ที่มีสรลการแบบนี้เน่ยเอาที่สบายใจนะก็ก็เป็นที่นิยมในสังคมเป็นที่นิยมเรื่องฮาเรื่องฮารอมนี่ไม่แตะจะชอบพูดเรื่องฮาลาลเรื่องนั้นฮาลาลฮาลาลสิแล้วพอทุกถามาเรื่องฮารอมนี่เรื่องนี้มันมีความขัดแย้ง อย่างนี่นี่มันหนึ่งแบบนี้แบบสังคมคนสบายใจเขาจะผมนี่ชอบฟังนะักวิชาการคนนี้นะโอ้โหมันมันทำให้โลกดูสวยมากเลยอ่ะสวยจังเลยน่าอยู่โลกนี้น่าอยู่อะไรเขาไม่พูดเลยนะสังคมมีปัญหาอะไรที่ต้องระวังอยู่กันยังไงต้องระมัดระวังจะได้รักษาปกป้องศา ส, ส, ส, ส, ส, ส, ส, สนาหลักการหลักศรัทธา ให้เป็นคนบริุเป็นคนที่รักของอัลลอฮ์ให้เป็นคนที่รักของสังคมและคนที่สอนให้เราเนี่แคร์สายตาของสังคมมากกว่าที่จะแคร์สายตาของอัลลอฮ์นี่คนนี้เนี่ยกําลังทรยศกําลังหลอกลวงพวกเราเอาที่สบายใจสองกลุ่มมูนาเมกี้นี่แหละกลุ่มแรนี่แหละกลุ่มนี้นะอายะห์หกบเอ็ดเนี่ยที่เขาราะรานท่านนบีที่เขาสร้างความเดือดร้อนกับท่านนบีสอง ให้กลุ่มที่ชอบสาบันท็จให้สังคมได้พอใจอัลลอฮ์บอกว่าอัลลัมยานเลมูพวกเขาม่รู้ไม่รู้อัลลย์ ع ل م و ا أ ن ه م ا ي ح د د ا ل ل ه و ر س و ل ه ف أ ن ل ه ن ر ج ه ن م ا خ ا ل ي د ف ي ه ذ ل ك ا ل ล ز ا ل ع ظ ي م พวกพวกเขามิได้รู้ดอกรู้ไม่รู้ว่าแท้จริงผู้ใดที่ฝ่าฝืนอัลละฮ์และรสนของพระองค์ แน่นอนสำหรับเขานั้นคือไฟนรกยัฮันนัมสาหรับเขาเลหูน่าร่าจฮันนัมน่าร่ไฟนรกจัฮันนัมไฟนรกยัฮันนัมควลดันฟีแหโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลเดรลิกัลคีสุลอซิมนั่นแหละคือความอายุธอันใหญ่หลวง อุลามานี่บอกว่าการปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมีการปฏิเสธศรัทธาด้วยใจนั่นก็หมายถึงว่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อกุรอานไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อ رسول ไม่จริงอัลลอ์ไม่จริงรูลไม่จริงกุรอานไม่มีเขาอ่านกุรอานนนี่มูฮัมมัดอุปโลกเองอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยอันนี้เขาบอกว่า อันนี้ปฏิเสธสัธาปฏิเสธพระบรมมีปฏิเสธปฏิเสธสัธาอีกรูปแบบนึงก็คือปฏิเสธด้วยการต่อต้านนนกุศการอักดินเขาเรียกว่ากุฟรุลมูฮัดะให้ชายาเลยนะเป็นกุฟรแห่งการต่อต้านประหานต่อต้านอัลลอฮ์ต่อต้าน ร, รานันลลนรซูลต่อต้านศาสนา แค่นี้เนี่ยมันก็กูฟุตแล้วไม่ต้องปฏิเสธคนที่ต่อต้านหลักการศาสนาคนที่ต่อต้าน AH, อานาัลลอฮ์ต่อต้านรัสูลต่อต้านคําสั่งสอนของคุรานต่อต้านคุรันอันนี้เนี่ยเป็นเป็นกูฟุตกูฟุตเราไม่ต้องร้อให้เขาให้เขามาเปล่งวาจาบอกว่าฉันไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อเราไม่จำเปต้องทําไมอะเราก็เห็นกันในสังคมมุสลิมนี่เห็นกัน มีผู้นําประเทศบางทีนึงก็เป็นก็เป็นหน่วยงานเป็นองค์กรต่อต้านศาสนาต่อต้านศาสนายัางไงก็คือคนที่ต้องการดํารงและการศาสนาเนี่ยจะถูกกีดกัน้นจะถูกข้ามจะถูกกรังแกจะถูกขัดขวางตรงกันข้ามคนที่ต้องการทําสิ่งที่ผิดและการศาสนาถูกส่งเสริม คนจะไปละหมาดสุบีไปจัดละหมาดเกียร์มูลเลลแห่งหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเป็นคนเที่ยวกลางคืนเงี้ย น, นะนพวกนี้เที่ยวกลางคืนเงี้ย น, นะละหมาดเกียมุลเลลดึกดึกตื่นละหมาดสุบโบนอย่นี้เที่ยวกลางคืนเงี้ย น, นะห้ามแล้วถ้าใครที่ถูกจับแบบนี้เนี่ยโอตรงตถูกสอบสวนถูกทํทททาไมอ่ะ มันมันมีแนวโน้มว่าจะเป็นพวกกลุ่มก่อการร้ายคริงศาสนาเกินไปอะไรนะทำไมต้องตื่นกลางคืนตรงกันข้ามฝั่งนี้มัสยิดนะอีกฝั่งนึงคาราเกะก็เที่งคืนเหมือนกันนะเที่ยงคืนเย็นสุโบเหมือนกันแต่ก่อนน้นน่ผมที่อีบันนะมัสยิดมัสยิดนี่มันอยู่มันอยู่ถนนมันคล้ายๆเนี่ยถนนที่มีแถวเนี้ยแถวเอ่อแถวสกขุมวิ่ถวนั้นะแว เอ็กซาไมเอ็คืนละหมาดสุโบสแตนออกไปอะนะก็จะมีพวกเมาที่เพิ่งออกจากพวกคาราโอเกะเราออกนี่ไอคนที่ออกจากมาซิดนีนะนั้นอ่ะจะถูกเรียกสอบสวนถูกเลยทำไมไว้เขาทําไมละหมาดสุโบทุกวันโดนมันเป็นอะไรกันเตรียมอะไรกันหรือเปล่ามีระเบิดอะไรหรือเปล่าแต่อีคนที่เมากันทั้งคืนน่ะนะแล้วก็นี่ก็เที่ยวทั้งคืนงั้นนะอันนั้นเนี่ะ ไม่มีใครเรียกเขาไม่มีใครสอบสวนเขนเลยเพืพอ่อๆนี่อาจจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่งเนืด้วยเอาด้วยต่อต้านศาสนาต่อต้านหลักการศาสนาเอาใครจะพิมพ์หนังสือเรื่องศาสนานีเอาถูกเรียกมาแล้วหนังสือนี่กลับจะสังเกตเลยห้ามขายแล้วก็หนังสือโปหนังสืออะไรเกี่ยวกับเรื่องอวิเคราะห์ศาสนาต่อต้านศาสนาเนี่เอาพิมพ์เต็มที่เลย แานกปฏิิการมุสลิมนี่จะจัดบรรยายจะสัมมนาจะได้คุยเรื่องศาสนาดาวา่าไหแพ้นเนั่นเจักปเก็บปนไคกันุ้มหมดแต่พอจัดสัมมนาจะได้วิเคราะห์เรื่องฮะดีษน บ, บีเรื่องคุตอานมันใช่ไม่ใช่ ไ, ชไอ้พวกไอ้พวกไอ้พ ว, วกไอ้สมองเนี่ยเอามาวิเคราะห์เนี่นเออที่เสรีภาพในประทอาหรับนี่แหละรประเทแบบนี้เลยแบบนี้เป๊ะแๆบบถ้ามหาวาระรบบของผู้นาแบบนี้เนี่ย ระบบเนี่ยระบบอิสลามได้ไงเรียกว่ารัฐบาลอิสลามได้ไงต่อต้านอิสลามสชัดส่งเสริมสิ่งที่มันขัดกับหลักการอิสลามอย่างชัดัผมพูดกับพูดกับเพื่อนใวชการนประเทศกูนี่เป็นประเทศประเทศเป็นเมืองพุทธนะแต่เขาไม่ต่อต้านอิสลามเจริงกูจริงเขาไม่ต่อต้านอิสลาม ระดับหนึ่งระดับส่วนมากส่วนมากส่วนมากมากมเทียบแล้วกับเทียบแล้วกับประเทศมุสลิมหลายประเทศนะนะคือเราเนี่ยผมพูดด้วยความสัตย์จริงนะถ้าเทียบกับประเทศมุสลิมบางประเศนะนะมังไทยนี่สวรรค์ น, นะเว้ยสวรรค์นนะ่ะนี่นี่พูดผมพูดแบบนี้นะประเทศอราบบังบางประเทศนี่พูดไม่ได้นะพูดไม่ได้อิสระอิสระจริงๆในการเผยแพร่อิสลามเนะี่ย ประเทศอีบมันะมีอยู่ช่วงหนึ่งและตอนนี้ก็ยังมีบ้างอนะ